พวกสัมมาณีทั้งหลายนะจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาถ้าว่ามีแต่หลวงพ่ออายุถึง60กว่าปีอย่างนี้แล้วจะอยู่ไปนานสักเท่าไรแต่เมื่อเห็นพวกสัมมเณนทั้งหลายที่เขามาบวชเพื่อเร่เรียนเพื่อศึกษาถึงจะไม่ศึกษาธรรมะร้อยเปอร์เซ์แต่ก็มีทางโลกอยู่ด้วย ทั้งทางโลกและทางธรรมก็ยังเป็นผลดีอยู่ในระดับหนึ่งเพราะเราจะได้เรียนรู้จะเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปภายภาคหน้าทางว่าเราอยู่ในศาสนาไม่ได้เราก็จะรู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แต่ถ้าเราอยู่ในพุทธศาสนาได้เราก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสน า, เ, าเป็นผู้นำ ทางฝ่ายพระสงฆ์ต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีเป็นประโยชน์อย่างมากงที่ว่าสรุปแล้วก็คือเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้เห็นพวกสมณะทั้งหลายที่เป็นเด็กๆลูกหลานที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นถือว่าเป็นทายาทของหลวงพ่อคือเป็นตระกูลเดียวกัน เพราะนั้นขอให้พวกสมเณรทั้งหลายเมื่อเขามาบวชแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของเราคืออะไรเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ให้อยู่ในกรอบของอกฎหมายหรือว่ากรอบกรอบศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้ว เ, เราไม่อยู่ในกรอบเราไม่อยู่ในกฎหมาย ที่เขากำหนดไว้อ น, นั้นแปลว่าถ้าเป็นพ ล, ลเมืองก็เป็นพ ล, ลเมืองที่ไม่ดีถ้าเป็นพระเนรก็เป็นพระเนรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ดีจุดนี้ก็คืออะไรคือออกนอกกรอบเพราะฉะนั้นให้ชัมมณเณรทั้งหลายนะให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้การอยู่การอยู่ด้วยกันหลายองค์เป็นเด็กด้วย แต่ไม่ใช่เด็กแท้หรอกทุกวันนี้เพราะเด็กได้รับการศึกษาแต่ว่าการศึกษาของเรานั้นเราจะใช้ไปในทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหรือเราจะใช้ไปในทางเอาลัดเอาเปียบหมู่พวกเพื่อนหรือเอาอำนาจคมขู่หมู่พวกเพื่อนใช้ได้ทั้งนั้นความรู้ของเราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมในจิตใจเราคิดถึงใจเขาใจเรา ถึงหมูพวกเพื่อนจะเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนเรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนกับเราแต่เราก็คิดว่าเมื่อเราไปทําให้แก่เขาเขาก็คงไม่สบายใจแต่ถ้าว่าเราไปเขามาทําให้แก่เราอย่างที่เราไปทําให้แก่เขาเขาก็คงจะไม่เราก็คงไม่สบายใจเช่นเดียวกันนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทว่าจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติให้เห็นใจเขาให้เห็นใจเรา อย่าไปเบียดเบียนหรือจะไปรังแกอย่าจะ อ, อย่าไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาในทางที่ไม่ถูกต้องต้องให้สิทธิ์เขาเพราะว่าความโง่ความฉลาดนั้นไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอยู่กับพวกเราทุกคนเขาก็อยากจะฉลาดเหมือนกับเรานั่นแหละแต่จะทายังไงได้สติปัญญาของเขาคงจะเป็นบุญวัดชนาบา ร, รมีของเขาในอดีตเขาจึงเรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนกับเรา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้โดยมากกับคนที่มีปัญญาคนที่เฉลียวฉลาดนั่นแ่ะชอบชอบเอารัดเอาเปรียบหมู่พวกเพื่อนแต่คนที่มีความรู้เฉลียวฉลาดพร้อมกับพร้อมกับมีคุณธรรมในจิตใจด้วยนะาหาได้ยากพูดอย่างนั้นแต่ถ้าหาวันได้อย่างนั้นจริงเป็นผู้เลิศประเสริฐมีความรู้คู่กับคุณธรรมคุณธรรมความนี้ ตีความได้มากมายคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติอย่างพวกเราสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาวิชาคือความรู้จรรณะสัมปันโนคือความประพฤตินี่พวกเราสวดทุกวี่ทุกวันแต่เราไม่ได้แปลแปลออกมาเป็นศัพท์นั่นเองแต่เราแปลออกมาแล้วนี่แหละทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีก็ยังมีอยู่ในในธรรมคําสั่งสอนเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จิบเอามาตีแผ่หรือเอามาขยายผลเอามาพูดตีความเหมือนกฎหมายของเขาถ้าเราเออกมาตีความกฎเหมือนอย่างกฎหมายธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่รู้สึกว่าครอบคุมทั่วถึงไปหมดเลยเพราะเหตุไดเพราะธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นนิยานิกระรท อ, อนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้หนีห่างจากความทุกข์ยากลําบากทางจิตใจทางกายทางวาจาในการเป็นอยู่ทุกอย่างเ อ, อห่างจากความทุกข์ที่จะมาเกิดเ อ, อที่จะมาติดมาพันมาทําให้เราเดือดร้อนวุ่นวายธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละเ อ, อจารณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าท่าน สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบินลพัทพอไปถึงกรุงกบินลพัทพวกชาวกรุงกบิลพัทเขาสร้างอาคารเสร็จใหม่สังหลังหลังใหญ่เพางั้นแต่เขาก็เลยนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพร้อมกับพระสงฆ์ไปพักในอาคารหลังนั้นพอเข้าไปแลยพระสงฆ์ก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่งกษัตริย์ก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่ง พวกพี่น้องประชาชนก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่งคล้ายๆว่านั่งกลุ่มพระพุทธองค์ก็เป็นองค์แสดงธรรมพอองค์พอแสดงธรรมเสร็จพอในในระดับหนึ่งพระพุทธองค์ก็บอกว่าเออเราเออขอพักผ่อนพระองค์ก็คงจะเหนื่อยออให้อานนท์เป็นผู้แสดงธรรมแทนเราคล้ายๆว่าพระอานนท์ก็เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว พ่เมืองนั่นกับเมืองตรุงกระบินและพัดอยู่แล้วเออพระพุทธพระพุทธองค์และพระอา น, นุ์ก็รู้จักทุกหมู่ทุกเหล่าว่าตระกูลไหนมาอย่างไรแต่นี่เมื่อ พ, พุทธองค์เทศชนาว่าการในระดับหนึ่งกระหม่อมไปพระอา น, นุ์เป็นผู้เป็นองค์แสดงธรรมพระอ น, นุลก็ขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมเออเพราะอา น, นุ์พูดคําหนึ่งขึ้นมาพระอา น, นุ์บอกว่าวิ ช, ชาคือความรู้ จรณะคือความประพฤติวิชาคือความรู้เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามมีความรู้ความฉลาดมีความสามารถไอคิวสูงเป็นที่ยอมรับของคนว่าโอนคนนี้เป็นคนฉลาดแต่ถ้าหากว่ามีจรณะด้วยคนที่มีความรู้คู่กับจรณะด้วยจรณะสัมปโ น, โนวิ ช, ชาจรณะวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติถ้าพร้อม ด้วยจรณะด้วยเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าว่าผู้ใดยังมีวิชาคือความอย่างเดียววิชาคือความรู้อย่างเดียวยังไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาเพราะวิชานั้นที่จะนำไปสังหารคนอื่นหรือไปเบียดเบียนคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นได้เพราะไม่มีจรณะคือความประพฤติพร้อมที่จะเอาความรู้ของตัวเองไปเบียดเบียนคนอื่น ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะวิชาของตนเองเหมือนกับคนรู้กฎหมายแต่ไม่มีคุณธรรมในจิตใจพร้อมที่จะเอากฎหมายของตัวเองนะ่ะเอาไปใช้เบียดบงังและไปไปใช้บังคับคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าเขาไม่รู้แต่คนหนึ่งรู้กฎหมายอย่างนี้แต่ถ้าว่าคนที่มีจรณะคือความประพฤติพร้อมกับวิชาและจรณะ นักกฎหมายคนนั้นจะต้องคิดว่าเออถ้าเราใช้กฎหมายตัวนี้ไปเบียดบงังไปทำร้ายเขาหรือไปลังแกเขาหรือไปเอารัดเอาเปรียบเขาถ้าเขามาเอารัดเอาเปรียบเราหรือมาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องวงศาคณาญาติของเราอย่างที่เราทำให้ให้แกเขานี้เราก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกับเขาเพราะนั้นเราไม่ควรจะทำไงอันนี้คือมีจรณะในจิตใจ คนนั้นแปลว่าเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการว่าวิชาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนมีมีดแหลมคมคมกริบจะนี้เอามีดเล่มนั้นไปทิ่มคนอื่นทิ่มแทงคนอื่นเออตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าการทิ่มแทงคนอื่นนั้นเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนตัวเองไม่ได้คิดเพราะเหตุไรเพราะตัวเองถือว่าตัวเองเออมีอํานาจพร้อมที่จะทิ่มแทงคนอื่นเขา แต่เมื่ อ, อไรมีดเล่มนั้นมาทิ่มแทงตัวเองเข้าตัวเองจึงจะรู้จากว่าโอ้โหมันทุกขนาดนี้เหรอมันเจ็บขนาดนี้เหรอมันทนทุกทรมานขนาดนี้เหรอมีดแทงคนเนี่นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราใช้แต่วิชาของของเราเไปเบียดไปบงังหรือว่าไปข่มเหงคนอื่นเขาเขาก็ทุกถ้าเขาเออเขามาทำให้แกเราล่ะเราก็เป็นทุกเช่นเดียวกันเพราะนั้น หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอนุนได้ตรัสสอนพวกญาติว่าผู้ใดก็ตามมีวิชาพร้อมกับจรณะวิชาคือเป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าแต่ผู้ใดมีจรณะพร้อมด้วยวิชาผู้นั้นเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอพระอนุนเทศนาว่าการจบพระพุทธองค์ก็ออกมาจากที่พักพระพุทธองค์ก็ได้ฟังอยู่ด้วยว่าพระอานนุ์พูดอะไรพระพุทธองค์ก็ออกมาแล้วก็บอกว่า อานนท์พูดถูกต้องอานนท์พูดถูกต้องอนนท์พูดถูกต้องเนีคือยอมรับวาทะที่พระอานนท์ได้พูดออกไปแล้วนั้นคือวิ ช, ชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติเนี่ยจะเป็นทําให้โลกทั้งโลกสงบพรมเย็นเป็นจุกลงได้เพราะฉะนั้นสมมาณีนทั้งหลายเมื่อได้เรียนหนังสือมีความรูเ้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ให้พร้อมให้พร้อมกับคุณธรรมด้วย การจริยธรรมคือคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในตัวของพวกสมณเนรทั้งหลายตลอดไปถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายสมณเนรทั้งหลายมีความรู้คู่กับคุณธรรมแล้วชีวิตทั้งชีวิตของสมณเนรตลอดชีวิตจะหาไม่จะมีแต่ความสงบร่มเย็ยนเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ใช้ความรู้ตัวเองไปรังแกเบียดเบียนคนอื่นเขากล้ม ตัวที่เองตัวเองที่ไปกระทําให้แก่เขานะั่น่ะเออมันจะวกผนเวียนมาหาตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นเออไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเหมือนกันแต่กรรมมุนินาวัตตีโลโกโสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ถ้าเราทากรรมไม่ไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีนั่นแหละจะเวียนมาสนองตอนเองถ้าเราทํากรรมดีเอาไว้กรรมดีก็จะมา ให้ผลสนองตนเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านสมณีนทุกองคหนา้าบวชมาในพระพุทธศาสนาให้ตั้งอกตั้งใจอาจารพวกครูท่านก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจการสอนคนอื่นนันไม่ใช่ของเล็กน้อยนะหาเงินหาทองหาอาโหงอาหารแล้วก็หาความรู้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอีกต่างหากเพราะนั้นพวกสมณีนทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาในการเร่ำเรียน กาว่าพวกเราเป็นผู้ตั้งใจแล้ววิชาความรู้เมื่อเราได้เรียนจากสํานักไปแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ทวงถามว่าเอามาคืนให้แก่เรานะมาทดแทนเรานะท่านก็ไม่ได้ว่าแต่พวกเราล้ำลึกถึงพระคุณของท่านเออพวกเราได้เรียนไปจากบ้านชุมพลกับอาจารย์เราได้เรียนไปจากอาจารย์พระครูบ้านห้วยทรายออท่านมีผู้มีพระคุณมากเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ย้อนนึกถึงเบื้องหลัง ออที่ท่านได้ทำคุณบุญคุณให้กับเราเราควรจะมาทดแทนมาช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราในอนาคตแต่จะให้ท่านทวงถาม เ, ออเมื่อท่านสู้เจ้าออกไปแล้วสู้เจ้าต้องมาทดแทนบุญคุณกับเรานะ อ, อ, อาจารย์ทั้งสองนี่ก็คงจะไม่ได้พูดได้กล่าวสำหรับพวกสมณเณรทั้งหลายแต่ถึงยังไงออบุญคุณเนี่ยออมันจะต้องชดใช้จะต้องดูแลออจะต้อง ทดแทน อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดน่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมออในหลักของทางโลกเขากับสิ่งแวดล้อมนะ่นคืออะไรต้นไม้ภูเขาห่่ยน้องคลองหรือที่วัดวาของเราหนึ่งมีต้นไม้มีอะไรเ็สิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีปฏิกูลโสโครกห้องน้ําห้องถ่ายอยู่ตรงไหนไม่มารบกวนใครอื่นเขาสิ่งแวดล้อมที่ดี อันนี้แปลว่าในหลักทางทางโลกเขาว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ในทำทำคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาประทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เราถ้าเราทําตัวไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมนั้นจะให้โทษแก่เราเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตราย พ่อเราไม่ได้นอบน้อมเราไม่ได้เคารพสักการะสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมที่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านตรัสเอาไว้ก็คือทิศทั้งหกอย่างพวกลูกหลานได้เรียนได้ศึกษานัเนี่ะคิดดูให้ดีสิพระพุทธเจ้าว่าทิศทั้งหกนี่แหละคือสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดเราทิศเบื้องสูงสมณะพราหมณ์ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังบุตรสามีภรรยา ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำํำคนรับใช้คนงานนี่แหละถ้าเราทําผิดทําให้ถูกต่อทิศทั้งหไม่เคารพไม่นอบน้อมต่อทิศทั้งหกพวกเราจะหาความเจริญหาความสุขหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้คนคนนั้นพูดได้เลยทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรทํำยังไงเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่พวกเราได้เรียนไม่ใช่เหรอในกิหิปฏิบัตินะที่เบื้องหลังสามีภรรยาถ้าเราไม่ทําไม่ถูกในสามีภรรยาสามีออกนอกลูก่นอกทางไปเที่ยวไปเล่นไปเตี่ยวไม่เคารพสิทธิภรรยาหรือภรรยาก็ไม่เคารพสิทธิ์สามีออกไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวไปเตร่ครอบครัวนั้นก็หาความสงบร่มเย็นไปสุขไม่ได้เพราะ ปฏิบัติตนไม่ตกไม่ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมนะทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจา ร, รายาร์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราครูบาอาจารย์นี้มีมากมายอย่างพวกครูบาอาจารย์สอนนักธรรมตรีโทเอกสอนมหาเปรียญอย่างนี้ตลอดถึงสอนวิชาธรรมามหาเลี้ยงชีพสอนวิซ้อมรถซ้อมตัดผมเย็บผ้าล้วนแล้วจะจัดว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมด ถ้าเราทําถูกต้องกับครูบาอาจารย์นอบน้อมต่อครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์มาไม่เมินเฉยไม่ลังแกีไม่เบียดเบียนอาจารย์เห็นอาจารย์มาก็ยกมือไหว้สแสดงความเคารพเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาก็เอา้าแสดงความเคารพยกมือไหว้เมื่ออาจารย์เข้ามาเลยเอาทักทาย เ, าเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมภ์ และก็ตั้งใจเรียนศิลปะวิทยาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็มีแก่จิตแก่ใจเออนักเรียนของเราคนนี้นักศึกษาของเราคนนี้เป็นผู้อ่อนน้อมครูบาอาจารย์ก็ทุ่มเทความรู้ความฉลาดที่อยู่ในจิตในการเป็นอยู่หรือในสมองของอาจารย์ให้ทั้งหมดเพราะเหตุอไรเพราะเห็นว่าลูกศิษย์เป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้อ่อนน้อมนี่แหละถ้าเราทาถูกต่อสิ่งแวดล้อมคืออาจารย์เนี่ย เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกฮะแล้วก็มิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนอย่างสัมมเดนทั้งหลายเนี่ยทั้ง40กว่าสัมมเนเนียน่ยต่อไปภายภาคหน้าเออเราอยู่ในเราเรียนเป็นนักเรียนด้วยกันนะฮ่มีอะไรพวกเราก็ส่งต่อกันถ้าวัฒน์ทำมาค้าขายแบบเดียวกันเราก็เออให้ช่วยๆกันดูนะออไม่ใครเข้าผลประโยชน์แบ่งกันให้ลงตัว หมู่พวกเพื่อนอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงหมู่พวกเพื่อนเป็นอย่างนั้นอันนี้คือมิตรสหายกันรยานมิตรถ้าเราทําตนได้อย่างนั้นแปลว่าเราจะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขมีหมู่มีเพื่อนไปที่ไหนก็ไม่หักหน้าหักหลังไม่คดไม่โกงเไม่ทรยศต่อหมู่พวกเพื่อนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อหมู่พวกเพื่อนไปที่ไหนไหนใครก็อยากจะเอคบมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นกันรยานมิตรทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าว่าพวกเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเนะนี่ยมีแต่ใช้นักเลงหัวไม้ใช้ที่สิ่งที่ไม่ดีกับหมู่กับเพื่อนใครจะให้ความสนับสนุนเราเราไม่มีหมู่มีเพื่อนอหาความเจริญไม่ได้นะสมรเนนทั้งหลายนะคิดดูให้ดีก็แล้วกันทำคำสั่งสอนของพุทธศาสนาในมีประโยชน์อย่างมากถ้าเรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิรสายทิศเบื้องต่าคือบาไพ่ด้วยคนงานของเราคนรับจ้างของเรา คนกวาดคนทําสวนของเราที่กินเงินเดือนจากเราเราก็ต้องให้ความเมตตากับเขาเมื่อเขาเป็นลูกน้องเราเราก็ให้รางวัลให้อาหารเขาเ อ, อเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องดูแลเขาให้อบอุน่นเมื่อเขาได้รับการเอื้อเฟื้อมีน้ําจิตน้ําใจจากเจ้านายเขาก็ทํางานให้เราเต็มที่สั่งการสั่งงานอะไรออกไปจะราบลื่นไปหมดเพราะเหตุใดเพราะลูกน้องมี ได้รับการได้รับความเมตตาจากเจ้านายเจ้านายมีเมตตาต่อลูกน้องลูกน้องเขาก็มีน้ําใจกับเจ้านายเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยคื อ, คอสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวที่สุดนะแล้วก็คิดเบื้องบนส ม, มณะพรามคือครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์นี่ก็คือเป็นผู้ชี้นาชี้แนะทางจิตวิญญาณอย่าทาอย่างนั้นนอสมเนร์ แต่มันไม่ถูกนะมันเป็นบาปเป็นกลัมนะพระเนนลูกหลานเนอาให้ทําอย่างนี้มันจึงจะถูกอบาปพระคุณเป็นอย่างนั้นนีแล้วคุณเป็นอย่างนี้บุญเป็นอย่างนั้นบาปเป็นอย่างนี้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วตกนรกนะวิญญาณออกจากร่างไปแล้วตกนรกนะบาปบาปกรัมมีจริงนะอนรกสวรรค์มีจริงน่าสมเนรเน่าอย่างเนี้ยอย่างหลวงพ่อสอนเลอยากจะรู้จักว่า ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญให้สัมมาณีนั่งสมาธิดูถ้าจิตสงบโปรงเป็นหนึ่งเมื่อไร่เมื่อนั้นจะรู้ได้ว่าตายแล้วไม่สูญจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายืนยันว่าธรรมะเป็นปัจจัตตังผู้ประพฤปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองนะเพราะฉนั้นสัมมาณีทั้งหลายหนะ้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยนะนะคือทิศทั้งหกนะควรบูชาควร น, นอบน้อมควรเคารพศักดิระอย่างไร ในทิศทั้งหกนั้นพวกเราก็ได้เรียนได้ศึกษาอยู่แล้วแต่พวกเราไม่ได้คิดอ่านเพื่อจะเอาไปสอบเท่านั้นเองแต่เอานำนำมาวิเคราะห์นามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้แก่ลูกหลานได้ฟังเน่นนะทิศเบื้องหน้ามัานดาบิดาเราควรทำยังไงเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วทิศเบื้องหลัง เ, เรายังไม่มีแต่ว่ามันควรจะคิดไว้อีกเหมือนกัน ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําคนใช้คนงานทิศเบื้องบนครูบาอาจารย์สัมมณะพราหมณนี่แหละสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวของเราที่สุดถ้าพวกเราทําถูกและแล้วนะมีแต่ความเจริญมีแต่ความราบรื่นในชีวิตของพวกเราและก็พร้อมกันก็ขอให้ส ม, มเนรทั้งหลายตะอกตั้งใจหนะ้เราเรียนศึกษาให้คิดถึงอนาคตของตัวเองเอ ถ้าว่าอนาคตของเราถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนนะอนาคตของเรามืดบอดนะเรามีโอกาสอย่างมากได้ศึกษาธรรมะด้วยได้ศึกษาทางฝ่ายความรู้ความฉลาดทางโลกด้วยทั้ง ท, งทางธรรมด้วยทั้งสองอย่างไปด้วยกันแต่พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ตักตวงนะหมั่นขยันในการเรียนในการศึกษาแล้วอนาคตของเราจะไม่ด้อยกว่าใครทั้งหมด เออเหมือนกับเราไปโสแสวงหาทรัพย์มาได้นะเออจะไปสถาบันไหนก็ตามจะเป็นสถาบันวัดก็ตามสวัสดิสถาบันโรงเรียนระดับไหนก็ตามถ้าเราได้เป็นปริญญาเอกขึ้นมาจิตติมศักขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจะเลิศทีเดียวเขาไม่ได้บอกว่าเจ้าเรียนมาจากสถาบันไหนเออเหมือนกับเขาไปทํามาค้าขายเจ้าไปดูดซ่วมมาใช่ไหมเจ้าจึงได้เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรืเงินอะไร ออกมาซื้อข้าวต๋ยวออกมาซื้อทองคํอาออกมาซื้ออะไรเจ้าได้เงินมาจากไปซื้อไปดูดช่วงมาไหมเฮ้ยค่อยไม่เอาหรอกเขามาเดียวนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะการเรียนการศึกษาของพวกเราถ้าเราได้เรียนได้ศึกษามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถแล้วเป็นที่ยอมรับ อ, อคนในโลกทางโลกทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าต่างประเทศไทยไปประเทศไหนเขาก็ยอมรับเราเพราะเหตุไรเพราะเราได้รับการศึกษาดีแล้วเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะ ยุคนี้เป็นยุคโลกโลกาวัตโลกอะไรโลกทั้งหลายต้องการคนฉลาดต้องการความรู้ความฉลาดโลกทั้งหลายมันกว้างขวางต้องการให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยวัติปฏิวัติตามโลกเขาให้ทันอย่าพวกพวกเราอย่าไปนอนใจในการศึกษาในะลูกหลานนะ่พวกลูกหลานเนะี่ย แต่หลวงพ่ออายุเกินแก่แก่ไว้แล้วแก่เกินแก่ที่จะรับการศึกษาแล้วแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะสมัยหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มเป็นสัมมเนรหลวงพ่อก็สวดปฏิโมกได้แต่อายุ16บหกสิบเจ็ปีจากนั้นพอบวชเข้ามาหลวงพ่อก็สวดปฏิโมกได้จากนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้ถึงหลวงพ่อจะไม่ได้สอบนักธรรมตรีโทเอกแต่หลวงพ่อก็ค้นคว้าในพระไตรปิฎกเกือบจะวาทุกเล่มก็วาได้ออ่าน นาชาดกต่างๆเรื่องต่างๆทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆเนี่ยหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาพอสมควรเหมือนกันตามสติกําลังความสามารถแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อก็ยังศึกษาอยู่นะวิทยเป็นยังไงชิกข้าบทไหนเป็นยังไงหลวงพ่อก็ยังอ่านยังศึกษาอยู่เพราะาการศึกษามันมีหลายและมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าเราจะไปสอบนักธรรมตรีทอเอกมหาป ร, ริญญาเท่านั้นจริงว่าการศึกษาไม่ใช่วิชาในโลกนี้มีมากมาย พวกเราคิดดูจะวิชาทําอาหารอย่างนั้นค่ะพวกเราก็ยังเรียนไม่จบใช่ไหมวิชาแพทย์วิชาหมอวิชาอาชีพต่างๆวิชากฎหมายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อมีมากวิชาในโลกนี่เพราะนั้นคนใดก็ตามพยองพองตัวว่าข้าไปเจ้าเรียนเก่งเก่งอะไรเก่งวิชาไหนเก่งคณิตศาสตร์แล้วคนอื่นเก่งเรามีไหมมี และวิทยาศาสตร์เราเก่งไหมภาษาอังกฤษเราเก่งไหมไม่เก่งอ่ะแสดงว่าเราโงา่เพราะนั้นเรารยอย่าพยายามพองตัวคนที่เรียนรู้เก่งเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเหตุไรเพราะวิชาในโลกมีมากที่เราจะต้องเรียนรู้เ อ, อแต่ถ้าเอาอาหารจัดเข้าปากของเรากินทุกวี่ทุกวันเรายังไม่รู้จัะว่าเขาทํามาอย่างไงอาหารประเภทนี้ของหวานประเภทนี้เขาใส่อะไรเข้าไปบ้างนี่เพียงแต่อย่างเดียวเราก็ยอาหารอย่างเดียว เราก็ยังไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแล้วและวิชาอย่างอื่นที่มากมายของนี่ที่อยู่ในโลกมีมากมายเราจะไม่เรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้สิ่งไหนก็ตามพยายามเรียนให้รู้จริงๆริงแล้วก็อย่าพยองพองตนอย่าลืมตัวอย่าอวดอ้างวางเขาถ้าคนที่อาจอวดอ้างวางเขานั่นแหะคือคนโง่สมัดหลวงพ่อว่านะเพราะวิชาในโลกที่มีตั้งมากมายเราจะไปอวดอ้างว่าเราเฉลียวฉลาดได้ยังไง อย่างที่พระพุทธเจ้าพูดนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายใบไม้ประดู่ในกำ ม, มือของเราเนี่ยกับใบไม้ประดู่ที่มันตกในแผ่นดินอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ตอบว่าใบไม้ในกํา ม, มือของพระพุทธองค์น้อยใบไม้ในจากที่มันตกในมากกว่าไปเจ้าขว่านี่แหละทำคําสอนของเราที่เราได้ตัดจะรู้ทำที่โคลนต้นโพน่ะได้สําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรารู้ได้กว้างขวางแต่ที่เรานํามาสอนนั้น เพียงกํา ม, มือเดียวแต่เพียงกำ ม, มือเดียวท่านเราอ่านศึกษาหูสิพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันมากขนาดไหนว่าไนเถอะอย่างพอนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะลูกหลานทุกคนนะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนหนังสือนะอการพูดกล่าวสมดทานิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติด้วยอํานาจคุณภรีรัตนตรัยพระพระทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราและลูกหลานทั้งหลาย ขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน